ธรรมะจากชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งการทำให้ใจเป็นสุขนั้นก็หมายถึงว่าให้เรารู้จากพอใจในสิ่งที่เรากำลังมีอยู่และกำลังเป็นอยู่ใจที่เกิดขึ้นจากความพอใจนั้น นั่นคือใจที่เป็นสุขเรามีสิ่งใดก็ตามเรากำลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามณนะปัจจุบันนั้นถ้าเรารู้จักพอใจใจก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสรุปแล้วความพอใจนั่นแหละคือทำให้ใจเป็นสุข อันนี้เป็นการทำให้ใจเป็นสุขนะต่อไปก็คือการทำให้ใจไม่ทุกข์นี่ก็เหมือนกันแต่มันเกิดจากสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุขหน่อยการทำให้ใจไม่ทุกข์นั้นเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวาง หรือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจอาจจะเป็นพวกความคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆ้ารารับรู้รับทราบแล้วก็ให้ปล่อยวางไปไปสิ่งนั้นมันผ่านไปซะ ความทุกข์ใจที่มีเกิดขึ้นณปัจจุบันนั้นมันก็จะหายไปด้วยเพราะนั้นการที่ทำให้ใจไม่ทุกข์นั้นก็คือรู้จักปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันอันนี้คือธรรมะจากชีวิตวันหนึ่งและคืนหนึ่ง